พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราเป็นคนเกียดคร้าไม่ได้สอนให้เราไม่ทำงานแ่ว่าสอนให้ทุกคนรู้จักใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ด้วยการปฏิบัติงานตามหน้า